ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เรียบร้อยอมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊คคิดถึงมากคุณคิง <c oughs> เราไม่ได้ <c oughs> คุยกันแบบว่าหลายอาทิตย์แล้วนะใช่ไหะครับเหมือนยาวนานยาวนานมากแต่เข้าใจแหละคุณคิงงานเยอะแล้วก็ช่วงของเขา้าพรรษาด้วยใช่เนาะโอ้นะครับตอนนี้คุณคิงอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ก็จริงๆเข้ามาปรงเทศมาซื้อกระจกพี่แล้วก็กำลังเดินทางกลับครับแล้วพอดีว่าฝนตกก็เลยต้องแวะเข้าหาห้องพัดก่อนอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ถถวไหนอะเนี่ยเขาออกมาทางทางมีนเลยมาทางมีนมาแล้วครับนะครับตาแก้วอ๋อทางมีนทางอ่าเส้นหนองจอกนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมไปบางปะกงไปอะไรเนี่ยเส้นเาเรียกว่าเส้นสุวินทวงศ์ โอโอเคโอเคแล้วตอนนี้คือเข้าที่พักเรียบร้อยนะฮะครับเรียบร้อยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณคิงครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของอดีตครูท่านหนึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณคิงฟังครับเรื่องของดาบสะสมเรา <สะ S 2> เราได้ฟังด้วยแล้วก็ได้เห็นได้เห็นดาบอันนั้นด้วยครับอู้น่าสนใจมากครับเรื่องราวของดาบนี้เป็นยังไงคนะคุณคิงเชิญครับคือเรื่องมาเกิดในสนะมัยที่ผมเรียนอยู่มต้น ขอต้นเรื่องนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแต่บังเอิญว่าอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเป็นอาจารย์ที่เหมือนกับอาจารย์เขาเรียก ไ, ไงเออรี่เนาะท่ว่รับบานานรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่ น, นี้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยมวยแล้วพอดีผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนท่านก็จะเข้ามาสอนทุกเยน็นเหมือนราะว่าโดนเชิญให้มาสอนมาฝึกกีฬาโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกเยน็นทุกเยน็นทุกเยน็นท่ น, นี้ แต่ก็จะเป็นคนแบบว่าดื่มดื่มแบบพอคุมค้มๆแล้วก็นั่งสอนเราอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันท่านนี้ในการสอนเราก็จะฟังเรื่องของท่า น, นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเรื่องที่ผมจะชอบมากๆคือเรื่องการเล่าเรื่องประวัติต่างๆเพราะว่าในบ้านของท่านีจะมีแต่ของ ข, ของสะสมอืมของสะสมพวกของเก่าของโบราณใช่ครับ อ่ามีแม้กระทั่งอันนี้ยพี่แจ็คผม<ะ>ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงนะแต่แต่การท่านนี้บอกว่ามันไม่ได้บิดอะไรนะมันเป็นของที่ตกมาในสะมัยฟูยา่าตายายน ะ, ะคือมันเป็นชุดของทหารญี่ปุ่นอืมอืมชุดทหารญี่ปุ่นใช่ครับคือเป็นชุดที่แบบว่าสก ป, ปกสก ป, ปกเลยนะอ่ะเขาบอกว่าประวัติก็คือชุดเนี้ยเอามาฝากไว้ที่บ้านเขามาขอรักษาตัวมันหลบช่วงที่เขาจะแพ้แล้วมันนานมากนะ เลากันมารุ่นสู่รุ่นเขาก็บอกไม่รู้ความจริงเป็นยังไงหรอกรแต่ท่านนี้บอกจะมีอยู่ที่บ้านครับแล้วตอนที่เราเคยไปซ้อมที่บ้านทุนทกวัอาทิตย์เนี้ยเราก็จะเห็นมันค่มีอยู่จริงๆนะอืมเขาจะเก็บใส่ตู้กระจงเข า, าว่าพอเราเดินเข้าไปปุ๊บจะอยู่มุมที่จะเห็นอะไในบ้านแล้วก็จะมีพวกพระมีของแล้วก็มีดาบตู้นี้อืแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่สนใจหรอกจนอยู่ดีแกก็มาพูดเรื่องนี้แนหะท่านมาพูดเรื่องนี้เ ร, เรื่องของดาบเนี่ยอืม ลอยฟังว่ามันเกิดเรื่องขึ้นหลังจากที่หายไปวันสามอาทิตย์ว่าการไปไหนมาครับผมาบอว่าเรื่องก็คือกลับไปบ้านสังเกตก่อนหน้านี้มานานแล้วว่าเวลาที่เจงกลับไปบ้านหลังจากที่ได้ดาบเล่นนี้มาแต่ตอนแรกยังไม่รู้เราเป็นพิดาือดาบเปล่าเพิ่งได้มาเพิ่งหาได้มาราคาก็หลักสักประมาณผมผมบอกได้ว่าเกือบแสนแหละอืมอืมอืมแล้วก็อา่า ถ้าจาไม่ผิดจะเป็นดาบที่ใช้ในการอาหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนานมากครับนานมากคแล้วก็พอพอพ อ, พอได้ได้มาผู ก, ก็คุมใจไงเหมือนกับว่าจะซื้อมารู้ที่ไหนไม่รู้แล้วก็เอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเหมือนกันมันจะมีดาบเรียเร้ยงเลียงผมเคยเข้าไปแล้วเห็นเรี้ยงอยู่แต่ว่ า, าเล่นเล่นได้ใหม่นต่จะเรียงยังไงเนี่ยผมไม่เคยได้เข้าไปเห็นหรอกอเพราะว่าได้มาใหม่ผมไม่ได้ยุง่งครับ อ, อืา เขาบอกว่าเวลาที่กลับไปบ้านจะเห็นบางทีก็เป็นผู้หญิงเดินขึ้นบ้านฟุดเข้าไปแล้วบ้านของอาจารย์ท่านนี้จะเป็นแบบว่าเข้าหน้าบ้านก็ได้ออกหลังบ้านก็ได้อสามารถเดินทะลุไปอีกบ้านหนึ่งได้ีน้เพราะว่าไม่ได้เป็นแบบหลังบ้านปิดทึบเขาอัธยาศัยดีต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็พอก็คิดที่จะเป็นภรรยาไม่ได้สนใจอะไรแต่เข้าไปอาออกไปทางหลังบ้านตัวเองเข้าหน้าบ้านแต่พระภรรยาก็เข้ามาทางหน้าบ้าน ก็มีความสงสว่า เ, าเล่นเล่นอะไรอะะ่ะทำไมจิงได้พอไปทางนู้นแล้วก็กลับมาทางนี้แล้วมันก็ไวแต่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะแต่เรื่องที่มัแปลกก็คือบางทีตอนกลางคืนจะมีเสียงของคนเดินแล้วก็ล่าเอาดาบอันเนี้ยเหมือนจะไม่รู้ว่าเป็นดาบ น, นิ้วอะไรแต่เหมือนดาบของท่านที่มีอยู่เหมือนใครสักคนหนึ่งเอามาเล่นโดยการที่ไปเล็กรถเอาเหล็กมาขูดข้างฝามาเดินรอบบ้านค ท่านก็ไม่ได้สนใจนะท่านคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของอาขันเพราะว่าการที่สะสมของพวเ น, นี้ยเจอมาจนชินแล้วอัน <c oughs> เรื่องที่มันเริ่มหนักหนาขึ่งก็คืออลินบอกไปอย่างอาจารย์ท่านนี้อยู่กับภรรยานะครับคือลูลกๆแต่โตหมดแล้ว <c oughs> ไม่ได้อยู่ด้วย <c oughs> พอเรื่องมันเริ่มหนักหนาขึ่งก็คือบางคืนบางคืนภรรยาจะนอนร้องไห้แบบระเบ้อ <c oughs> เป็นกล้วไนอะ้กอย่างของชีวิต บยังไงก็ไม่ตื่นนะแล้วก็ลิ้งไปอเอามืออังตามจมูกแล้วก็ยังหายใจปกติก็ก็แสดงว่าอาจจะฝันร้ายแต่เป็นบ่อยมากและเช้ามาเนี่ยถ <c oughs> ามว่าเป็นอะไรฝันอะไรอ่ภาภรรยาจะบอกว่าจําไม่ได้ออืทําไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยแหละหรอเป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์เขาบอกว่าเป็นอาการที่ร้องไห้ เหมือนว่ากลัวอะไรสักอย่างนึงยกมือขึ้นไว้ที่หน้าอกแล้วทำเหมือนกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถามตอนเช้าว่าฝันอะไรไหมบอกไม่มีนะครับไม่ได้ฝันดังนั้นท่านี้ก็เลยตัดสินใจซื้อวิดีโอคือต้องลึกนะพีแจ๊ว่าบางคนบอกว่าที่อาจารท่านนี้มีเงินเยอะทําไมถึงมันในสมัยก่อนวิดีโอไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนจะมีหรือคิดจะมีมันไม่ใช่ของประจำบ้านในสมัยที่ผมยังอยู่มอต้นนะนะ สมัยก่อนนี่บ้านไหนมีอ่าเครื่องเล่นวิดีโอนี่ถือว่าเป็นบ้านคนรวยนะฮะบอกไว้ก่อน <laughs> <ผม S 2> ครับผมครับอออาจารย์ท่านนี้ก็เลยตัดสินใจซื้ อ, ซ, อซื้อไอ้ตัวแต่เป็นกล้องถ่ายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กล้องขนาดมือเลยมันเป็นกล้องอใหญ่เลยอ อ, อแล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดเป็นอีกจะถ่ายเอาไว้ให้ภรรยาดูโอ้โหอ๋อคือลงทุนซื้อกล้องเลยนะฮะเพื่อที่จะมาตั้งถ้าจะเป็นคนมีเงินเอ๋ออ๋อ เราก็ตัดสินใจ่ายในคืนที่เกิดเรื่องขึ้นคืออาจารย์ทา่านนั่งดูทีวีอยู่ครับนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เปิดประตูห้องนอนไว้เจงอยู่ทางด้านนอกห้ อ, องทีวีแต่ประตูห้องนอนไว้ฟังเสียงว่าจะเป็นอะไรไหมแต่ไม่เข้ามาอยู่กับภรรย า, ยาเหมือนจะดูรายการหรือดูฟุตบอลหรือสักอย่างเนี่ยแล้วก็ยินเสียงอ่ะอ้า ะ, ะก็บิ่งเข้ามาพร้อมกับวิดีโอนี้ถ่ายไว้เสร็จทุกอย่างถ่ายหมดจบเลยออือถ่ายจนจบไปสักระยะหนึ่งเลยอะ่ะแล้วเขาก็นิ่งไปก็ เช้วพรุ่งนี้มีหลักฐานให้ดูแล้วแต่ปรากฏว่ามาเปิดดูไม่มีอะไรไม่ติดอะไรพี่แจ๊ดไม่ติดอาการว่านอนเหมือนก็ถ่ายคนนอนปกติอ๋อคือพยาบาลเขาบอกว่าคือภาพเนี่ยมันติดใช่ครับแต่ใช่แต่ติดเหมือนนอนปกติไม่ได้มีการดิ้นรนอย่างที่อาจารย์เห็นคือวิดีโอเนี่ยมันบันทึกติดอ่าปกติเลย แต่ใช่ครับมันคนละอย่างกับที่เห็นในภาพจริงก็คือภาพจริงนอนแบบว่าฝันนู่นฝันนี่ทุรนทุรายแต่ในภาพที่อยู่ในวิดีโอคือนอนนิ่งๆใช่ครับเฮ้ยเออเออเ อ, อ, อนนี้นพ่อใหญ่เขาเลยพูดว่าเห็นไหมพ่อฉันว่าพ่อแม่ว่าพ่อเนี่ยเขาเรียกกันแม่กับพ่อไงแม่ว่าพ่อเนี่ยคงจะ สะสมไปของผู้นี้มากเกินไปออคือตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่แม่แล้วมาถึงพยาพูดมันไม่ได้เป็นที่ตัวเขาแล้วคงจะเป็นที่ตัวของสา ม, มีก็คืออาการย์ท่านเนี่ยค่ะน่าจะโดนอาถรรพ์เลยสักอย่างเพราะว่าถึงจะเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์แต่เขาสะสมของผู้นี้พีแจ้ง<อ>เขาจะมีความเชื่อและความรู้ผมสังเกตตู้ของเขาแต่ละอันเตรียมของเขาแต่ละอันที่ได้มาเนี่ยเจ้าหวงแค่ไหนแล้วมันเก่าขนาดไหนก็ช่างเขาจะเอามีดบากไว้ผมถามว่าอาจารย์ทาเพื่ออะไรออ บอกทาให้มันดูว่าไม่ใช่ของของคนเดิมที่เขาเป็นเจ้าของแล้วอ๋อคือทําตําหนิใหม่เลยใช่ครับ อ, อตอนที่ก็ขีดข่วนหน้าตู้ให้มันเป็นรอยทั้งสองสารอยอย่างเงี้ยโอเค ม, เมันเสียมันเสียทรงแหละแต่บอกว่าก็ไม่เป็นไรดูที่อายุมันพ อ, อแต่รู้ว่าไม่มีอะไรมามาจองเป็นเจ้าของแล้วเพราะว่าเราคือเจ้าของใหม่ครับทําอย่างนั้นเลยแล้วที น, นี้ได้ความวิดีโอมันก็ทําให้อาจารย์ยิ่งรับแทนใจว่า ทำยังไงให้ภรรยาเห็นก็เลยตัดสินใจโทรตามรูปอซึ่งรูปเนี่ยเป็ น, น ห, หน้าหางั้นเพราะทนายใครไหนผมก็จะไม่พูดถึงนะบอกมาอยู่มาอยู่เหมือนเพื่อนพ่อเนีนนะ่ยพ่ออยากรู้ว่าสิ่งที่พ่อเห็นมันคืออะไรออืดูกเขาบอกอคือได้ยินแม่พูดมานานแล้วอะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นจริงแล้วได้ยินแล้วพ่อก็เอาวิดีโอถ่ายแล้วมันไม่มีไม่ใช่เดีอยวพ่อพ่ อ, อยังต้องการอะไร ต้องการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พ่อเห็นมันคืออะไรและอาจารย์ท่านเนี่ก็เป็นคนดื่มก็เลยทําให้ลูกๆไม่ค่อยจะเชื่อถือกลัวว่าจะเป็นแบบเมาแล้วเห็นภาพอะไรไปอย่างเงี้ยแต่คนเป็นพ่อขอก็เลยต้องมาพ่อมาเสร็จเนี่ยคืนนั้นทั้งพ่อทั้งลูกได้เห็นว่าคนเป็นพนรกงานเนี่ยหลอนดิ่งหอคนร้องจริงๆครับลูกก็บอกเห็นจริงเช้ามาก็เลยบอกแม่ว่าแม่นี่มันเป็นจริงนะ สิ่งที่พ่อพูดมันเป็นจริงทั้งหมด <Ừ. S 2> แต่ทำไมถ่ายวีดีโอไม่ติด<ถ>คนเป็นคนเป็นภรรยาก็เลยเดินไปที่ดาบอันใหม่ล่าสุดเลยที่มันได้มาออ <Ừ. S 2> แล้วก็แตะว่าอยู่มาตั้งนานไม่มีอะไรแต่อัเนี้ยเอานิ้วตีแบบอัเนี้ยอัเนี้ยอั <3 S 1> อเนี้ยตีเนี่ยอตั้งแต่มันเข้ามาที่บ้านเนี้ยทำไมมันแตกๆอยเลยเอรอแล้วดาบมันก็หล่นลงหล่ น, ล, น, ล, ง ล, นลงคือตั้งแต่ซื้อมาอาจารย์ผมไม่เคยถอดออกจากฝักเลยครับ แต่พอหล่ลงคือฝักมันหลุดออกแล้วไปดาบอ่ะตัดลงที่ไปลนิ้วก้อยของภรรยาพอดีเลยเฮ้ยจริงปะจริงครับตัดลงจะไปที่ปลานิ้วก้อยขาดเลยแค่หล่นลงมาเฉยๆนะพี่แจ๊ดฮะฮะนิ้วก้อยขาดนิ้วก้อยอข้างขท้าขาดเฮ้ยจนจะต่อได้หรือไม่ได้เลยอาจารย์ไม่เล่าถึงตรงนั้นเพีว่าขาดครับตอนทีตน่ตอนที่มันนั่งเล่าเนี่ยถือว่าโฟมอะแล้ววันนั้นเราไม่ได้ซ้อมมวยกันเลยนะเอาเป็นว่าล้อมวงฟังกันเลยอะ่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่า พอมันถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็เลยบอกภรรยาว่าไปขอเขามาดาบแล้วสอภรรยาบอกดาบวัวโลกวัโสมอย่างเงี้ยให้ไปไหว้อะไรอื้หูมันไม่ใช่คนเชื่อง่ายๆอย่างนั้นนะออๆแกอาจจะคิดว่าตอนที่ดาบตกใส่นิ้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมือแกไปปัดจิ้มจิ้มจ้มแรงแล้วเป็นอุติเหตุแกตีแรงครับใช่ตีแรงครื อ, รอเรานิ้เดียวนะ อนจารยอเอานิ้วเดียวอะ่ะลักษณะคือไปไม่ใช่ชี้แต่ไปตีเอานิ้วไปตีที่ฝาา <S S ่าราบอ่ะเนี่ยตั้งแต่อันนี้อันนี้อันี้อันนี้มาอย่างเงี้ยแล้วเคาะตีดีดีอะ่ะแล้วนลนลนแบบฝักออกแล้วก็มีดลงไปที่นิ้วก้อยพอดีเลยแต่ไม่ได้ตัาากพื้นมาพื้นเป็นปูนจะ่ตักที่นิ้วอือนิ้วขาดถ้อยแล้วก็ดาบก็ลมลงปกติ อ, อย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว่าไม่อยากได้แต่คนเป็นอาจารย์เนี่ยอยากให้ไปไหว้ขอเข้ามาครับ ประวัติมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ได้ยินนอ้องเป็นดาบที่เคยใช้ประหานใช้อะไรอย่างเงี้ยในวิธีเกี่ยวกับพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้แน่นอนทั้งหมดอะ่ะมันก็ไม่ได้เพราะเป็นดาบที่แต่รู้ว่าอายุมันเขาให้เพื่อนเขาตรวจสอบแล้วว่ามันได้แน่นอนครับ ม, มันมีสักงสามร้อยกว่าปีขึ้นไปอะ่ะครเขาก็เลยแบบภูมิใจกระดาษนี้ก็เลยไม่ทิ้งเสริมพยยาก็ไม่ยอมที่จะไหว้อืมพอไม่ยอมไหว้ก็ไม่เป็นไรเขาก็อยู่เปนอย่างที่วันนี้เริ่มสองคนเริ่มหมางเมินกันแล้ว อาจารย์นี่ก็จะไม่มาสอนตอนเย็นเพราะว่ามัวจะไปไปไ ป, ไปมวย อ, อยู่ที่อื่นเนี่ยเออรี่และนี่ก็อยู่ตัวคนเดียก็ไมไ่สนใจอะไรและอย่างที่มาน่าก็เหมือนมาช่วยเฉยไม่ได้ว่าไปรับเป็นเงินเงินทองหร<ค>ือรับจ้างอะไร<ค>แต่บาชอบดูมวยด้วยก็เลยอยากมาสอนตอนเย็นท่านี้วันที่ทําให้อาจารย์เนี่ยจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างภรรยากับมีดก็มาถึงก็คือขออภัยครับ นั้นแหละตอนกลางคืนดาบอันเนี้ยมันมีเสียงเหมือนคนทุบที่ฝักดาบเขาก็เลยลงมาเขาไล่ดูเสียงเอาหู น, นี่มันมาจากดา่าปะเนี้ยแต่มันไม่มีอาการกระเพื่อเหมือกระเทือนเลยภรรยาบอกคุณเรากลับไปคืนที่ที่คุณซื้อมาที่ไหนคําตอบคือแถาแถวอายุธยาซื้อมาจากอายุธยาใช่แถวแถว อ, อยุธยาซื้อมาจากคนร้อนเงินคนหนึ่งเป็นมิจาาเหมือนประจําบ้านของเขาเลยที่ปุยาตายายเขาให้แต่เขาร้อนเงินครับ แต่ขนาดร้อนเงินก็ยังเกือบเผื่อแสนด้วยอายุของมันแล้วก็ความที่มันยังห ง, งส์วยอยู่แล้วเป็นฝักแบบมีสลักมีอะไรอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้เขาก็กลับไปนู่นไปพร้อมกับภรรยาระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยจะมีเสียงคนเหมือนคนคุยกันอยู่ที่เบาะหลังตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนขับเองอขับไปทั้งคู่จําได้ว่าคว้ามีดดาบเนี่ยไปแล้วก็บอกว่าคุณไปคือไม่เอาอะไรทุกอย่างในบ้านเลยนะั่นเ บักแม่ไปเอาไปคืนก็ไปคืนเพราะว่าอย่างนี้มันแปลกแล้วละ่ะนะในเมื่อแม่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรออกกลับมาเอาเอาขึ้นรถเสร็จแล้วก็พยายามจะเดินขึ้นรถตามมาแล้วก็นั่งขับรถไปกันออมีเสียงคนคุยข้างหลังตลอดจึงมั่นใจว่าดาบนี้ต้องมีอาถรรพ์แล้วครับแต่ในใจตอนนั้นแหะอาจารย์เขาบอกว่าเขาขับรถไปเขาแอบคิดใ น, ในใจว่าจะไม่คืนหรอกอเพราะถ้าไม่คืน<อ>น่ยไอ้ทางนู้นเขาก็ไม่มีเงินให้หรอกอ๋อเออคือถ้าดาบไปคืนเนี่ยไม่ได้เงินคืนแน่นอน ไม่รู้เขไปทําอะไรแล้วเลคือขาดกันแล้วอ่ะเพราะว่าเขาร้องเงินนะใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าคิดในใจนะว่าเดี๋ยวจะไปทําให้ถูกต้องแล้วก็จะขอจัดยิ่งให้อยู่สบายถ้าภรรยาไม่ว่าเดี๋ยวจัดการเองแต่จะไปขอให้เจ้าของดาบาว่าเป็นคนบอกครับอ่าแต่ว่าไม่ได้พูดกับไม่ได้พูดกับเมียตัวเองหรอกนะขับรถแล้วก็ลึกไปคนเดียวในใจเพราะระหว่างที่ขับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ถึงนู่นเนี่ยไม่รู้เขาออกไปตอนหลึกประมาณเท่าไหร่แต่ไปถึงนู่นแหละประมาณตีสี ไปจอดอยู่ที่ที่หนึ่งผมจำไม่ได้ที่ไหนอะเขาบอกว่ามันจะเป็นต้นต้นหูกลางต้นเบลเลอร์เลยนะต้องไปจอดแบบว่าเอาเอารถอะเข้าไปแนบด้างข้างอะเหมือนกับว่าจะหลับว่างั้นเหรอเห <c oughs> มือนจะหลับกันอะแต่ไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้อะไรลนะเพราะว่ากะว่าแป๊บเดียวผัดกันหลับพยาเขาจะบอกพ่อหลับก่อนเลยเดี๋ยวจะปุกสักสิห้านาทีให้มันพร้อมมีสติ <c oughs> จะขับต่อไปได้ไปถึงบ้านเขาแบบ ช่เชาเห้าเมื่อไรเขาออกไปไหนกันเราก็ไม่ทันได้คุยเรื่องนี้พอดีพอท่านี้นานแค่ไหนไม่รู้อาจารย์สะดุงตื่นด้วยตัวเองอลืมตาขึ้นมาเห็นภรรยาเจอศีาษะและลำอยู่ข้างหน้ารถคุณลุกจริงหรอลำอยู่หน้ารถลำฟ้อนเลยนะหล<อ>ับตาลำแบบว่าลำเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วก็ก้มหน้าลงจะทือ่อเท้าขันมาทางอาจารย์นะ<อ>มันเป็นอาการเหมือน อ่าราชมันที่จะประหารคนค่ะครับครับกระชือเท้าใส่กระชือเท้าใส่สามสี่เฮ้ยอาจารย์ก็นั่งเุ้ยพอื้นเสร็จก็คือจะรีบเปิดประตูไปช่วยภรรยาตัวเองแต่พอเปิดออกไปเนี่ยมุดออกไปไม่เจอละอมุดออกไปไม่เจอนะออมุดออกมาจะรถเสร็จไม่เจอหันกลับมองภรรยาตัวเองนอนหลับอยู่ ข, อข้องอัอแล้วไอ้ที่เห็นหน้ารถน่ะครับก็เลยเปิดมุดจะไปเอาดาบ ไอ้มีดาบหายไงก็ไมมีเดินออกมาหน้าเราต้อมีไปดูอีกทีอยู่ที่มือภรรยาตัวเองคือในตอนนั้นอาจารย์บอกพอเห็นอยู่ที่มือปุ๊บคิดว่าถ้าตื่นช้าขวอีกแป๊บเดียวอาจจะเป็นภรรยาตัวเองโดนสิ่งเราฟันตัวเองก็ได้วันตัวอาจารย์ปกติคือตอนแรกมเอาดาบไว้ท้ายรถถูกไหมฮะหลังรถใเหมาะหลังครับแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งดาบเนี้ยไปอยู่ในมือของภรรยา ต้องครับแล้วอยู่ท่าถอดออกจากฝักด้วย <What? S 2> คออือมือหนึ่งเออามือนึงเนี่ยวางมีฝักแล้วก็อยู่ที่อีกมือหนึ่งจะอยู่ท่าไหนไม่รู้จนอีกมือหนึ่งี่ยก็มีดาบกำอยู่ในมือครับครับแต่หลับไม่รู้เรื่องนะภรรยาไม่รู้เรื่องเลยอแค่ช่วงแป๊บเดียวที่เขาโผล่ อ, ออกจากรถไปแล้วหันกลับมามองเนี่คือขาอาจารย์ท่านนี้ไม่เจอขาภรรยาไม่เจ อ, อแล้วอาจารย์นี่นะแต่เหมือนมาอยู่ข้างตัวเองเหมือนนอนอยู่ข้าง ต, างว ต, างวตัวเองเขาเลอ้าว หือเราจะตาฝา่าดหรือจะตาหันก็ไม่เป็นไ ร, รแต่พอกําลังจะขับเข้ามานั่งในรถปุ๊บเนี่ยเห็นอ่ากําลังจะไปดูดาบว่าดาบไปไหนไม่มีดาบอยู่มหมไม่มีก็เลยหาเอ้ยไปไหนฮะคือว่าจะเป็นตรงที่เราเห็นอาการประมาณนี้นะแล้วก็เดินออกไปหน้ารถวนรอบรถไม่มีพอกลับเข้ามานั่งแล้วหันไปเห็นที่มือพยาเดิงตกใจยยงไงเพราะมีดอยู่ในมือเขาอขอออกจะกสัตว์เลยเตรียมพร้อมเลยแหละก็เลยปุกไปขยำกบแม่แม ก็ขย่ายแบบแหงแงงเนี่ยแล้วก็มือกดมือที่ถือดาไบไว้เพราะว่าดึงยังไงก็ดึงไม่ออกครับก็เลยแม่แม่แ ม, แม่จะรู้ตัวมาเหอะเอะอะไรแม่เอาดาบนี้มาถือไว้แต่เมื่อไรขยาเขาหันตึดตืดมาเห็นก็ตกใจนะว่าพ่ อ, อามายัดใส่มือเหรอพ่ออย่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยออตกไม่ได้ยัดแล้วเขายังไม่เล่าตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่เล่าตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นฉ น, นี้ก็ตัดสินใจขับรถออกไปเลยไปคุยกับเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่า ไม่รู้หรอกว่ามันจะนานขนาดไหนอะ่ะแต่เป็นอย่างที่ชาดก็คือไม่มีเงินคืนให้หรอกนะอืออาจารย์ก็เลยบอกว่านั้นขอเป็นว่าคื อ, อ น, นี้แอบไปคุยกันเองว่าช่วยบอกเรื่ของดาวให้หน่อยอาจจะเป็นวันพุธหลุดคุณว่าถ้าไปอยู่กับผมเนี่ยคือผมไม่มีการขายต่อแน่นอนผมจะรักษาเป็นอย่างดีแล้วแล้วรู้แล้วว่าดาบอันนี้มีประวัติเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบเหมือนที่ไว้ที่เหมาะสมให้เล็กๆออืมไม่เอาไปคนกระดาบอื่นเพราะว่าดาบอื่นเนี่ย ตัวบาง s <S ทีก็มีความเก่าจริงแต่บางทีมันก็แค่ประมาณสักร้อยปีร้อกว่าปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นพิเศษอะไรออันนี้น่าจะเขาจะมีอะยสักหน่อยเดี๋ยวทำให้ก็เลยบอกง mm. ั้นคุณก็เป like ็คนออกเงินทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวผมจะไหวบอกให้แต่พิธีพิธีอะไรผมก็ไม่เป็นหรอกนะถ้าแกจุดทูบไหวบอกก็น่าจะได้มั้งในการไหวบอกทำไมเขาว่าจะบอกว่าอันนี้คือภรรยาไม่รู้เรื่องนะนะก็ไปทำอะไรไปนอนไปหลับตามเรื่องตาำราอาจารย์นี่ก็แอบทำจริงเ่ยเจ้าของดาบว่าอ่า ประมาณว่าประมาณว่าออปู่ย่าตายายบรรพบุรุษถารู้นะลูกเดือดร้อนเงินลูกหลานเดือดร้อนเงินก็เลยต้องขายครับถ้าเกิดไม่ขายอ่ะก็จะรักษาสมบัติสกุลไว้ไม่ได้อตอนนี้มันเข้าวิกฤตแล้วครับก็เหมือนกับถือว่าช่วยลูกหลานกันแล้วกันอือหลังจากที่ทําวิธีอาจารย์บอกรู้สึกว่าใจมันเบาลงไปเยอะเลยออก็เลยถีกลับมามาไว้ที่รถภรรยาตื่นมาถามก็ค่อน ข, ข้างจะลงเล็งอไงคือจะไม่ยอมเอากลับ แต่อาจารย์ก็เลยบอกว่าก็เขาไม่มีเงินจีดซื้อแลอ้วแม่จะให้คืนเขาไปเหลือดาบเนี่ยมันต้องไปแสนแเราจะยายเราจะเขาเราเราเป็นคนซื้อเขาเองนะเพราะว่าไม่ได้นะเราให้คนหาให้พอเขาหาได้คนนี้เขาขายเราซื้อแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีเขาวิ่งมาหาเราเองเราเป็นฝ่ายหาด้วยนะออเพราะฉะนั้นเราพยายามียดะเขาไม่ได้เรื่องว่าอะไรไม่ได้ก็ต้องจนด้วยแต้มันก็ยอมามาทำค่ะ แต่การเรากลับมาคือเขาบอกว่าเบาใจมากนั่งรถมาไม่มีอะไรเลยลืมคืนแรกไม่มีอะไรแต่ลืมดาบไว้ที่เบาหลังรถเพราอกะว่าเดี๋ยวจะ ท, ทําหิ่งทําอะไรก่อนค่อยเอาดาบเข้าม า, าลืมคืนแรกไม่มีอะไรลืมคืนที่สองมาในบ้านเลี้ยงไว้สาตัวยินเขารอบรถที่นั่นเละก็เลยรู้ไงคืนที่สองก็รู้ เ, ออ เ, ออเดียเด๋ยวจะปุ๊นิ่งจัด ก, การาคนดื่มพี่แจ๊ดแล้วเขาเป็นแบบ <c oughs> เป็นคนคนที่จิตทั้งวันอาการท่านเนี้ยนะ เขามาก็จิตแล้วพอจิตปุ๊บเรื่องทุกอย่างมันจะแบบอะไรก็ได้ชั่วโมงเวลาอย่างเงี้ยลดที่ดื่มทั้งวันอะไรก็ได้ไว้ก่อนนะแป๊บหบนึง่งกลางเยน็นเย็นก็ลืมวิตคืนที่สามในขณะที่นอนอยู่กําลังนอนอยู่เลยยังไม่ทันได้หลับตาเลยอตัวแข็งขยับไม่ได้แล้วภรรยาค่อยๆลุกขึ้นยืนยืนยืนทั้งที่หลับตาแล้วเดินมาทางปลายเท้าแล้วลุกขึ้นคือเป็นคนเนี่ยนะพี่แบกแล้วก็เดินก้าวขาขึ้นมาออื แล้วก็มายืนหลับตาแล้วก็ชี้หน้าอาจารย์เนี่ยขยับภรรยาแล้วบอกว่ามึงสัญญาอะไรไว้ออเหตดใดมึงจึงไม่ทําตามออืแค่นี้แหละอาจารย์รู้ตัวเลยว่าขอขมาผู้นี้จะไม่ให้ผิดพลาดถึงนายบอกว่าถ้าผิดพลาดจะทําอะไรก็ได้ครับแค่คิดในใจนะแต่ทั้งฟังภรรยาที่ยืนหลับตาอยู่อะตัวเองก็แข็งทำแบบนั้นภรรยาก็ยืนชี้หน้าอยู่แค่คิดในใจเขาก็จบแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็นอนเหมือนเดิม เหมรับทราบออือเช้ามาก็เลยทํายิง่งทําอะไรไว้<ะ>แล้วก็ผ่านเรื่องตรงนี้มาได้จ น, น, นในที่สุดก็กลับมาเล่าให้พวกผมฟังนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยยนี่คือเรื่องของของสะสมทีนะสําหรับผมผมคิดว่าผมไม่เอาแน่นอนนะครับโอ้ผมผมก็ไม่เอาคือของโบราณโบราณคือต้องคนแบบชอบชอบไม่พอนะเรื่องพวกเนี้ยต้องศึกษาแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยนะฮะ ต้องจริงใจมากๆเลยนะในการรักษาของพวกนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าบางชิ้นบางอันเนี่ยเป็นของต้นตระกูลของบรรพบุรุษของที่มอบเป็นทอดๆกันมาเหมือนกับเป็นสมบัติประจําตระกูลแล้วบางคนอย่างเนี้ยอาเคสเนี้ยคือเขาเขาเดือดร้อนไม่รู้จะทํำยัำยงไงแต่อันเนี้ยมันมีค่าเดียวที่จะสามารถให้ มันแปลงเป็นเงินได้ก็เลยต้องยอมจำใจขายเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปอก็ต้องดูแลให้ดี<ช>เพราะ<ช>ว่าคนนี่เอาไปไม่ใช่ญาติเขาถูกไหะไม่ใช่ลูกหลานเขาใช่หมอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรพี่เสียงวี่งปะ่ะอ๋อโอเคตกใจเสียงไอ้ว <laughs> นตะโกนโ อ, อยู่อะไรข้างล่างโอ้แต่มันเสียงมันแหลมเข้ามาในหูฟังผม <laughs> เออ อ, อพี่พี่บัตรลงไปดูวิ่มาหน่อย อ, อ่าลงไปดูกหน่อยบอกให้น้องเบาๆนิดหนึ่ง อ, อ่อโอ้ยเดี๋ยวนะอ่าโอเคโอเคเ อ, อ่อเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของสมบัติอะไรพวกนี้ยเมื่อกี้คุณคิงก็พูดบอกว่าถ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคุณคิงคุณคิงก็ไม่เอาเหมือนกันผมก็ไม่เอาของอย่างเงี้ยเออแต่เหตุการณ์เเจอส่นตัวผมเนี่ยผมเคยเจอเกี่ยวกับพระครับพระซึ่งทางวัด มอบให้เราตอนที่เราสึกนะอืมมันมันเป็นอะไรที่เขาแค่มาขอคืนเพราะว่าเขามาเข้าฝันดีๆนี่แหละพี่แจเขาบอกว่าเขาขออยู่กับวัดคือเป็นพระทองเหลืองอืมปางอะไรเราไม่พูดถึงว่เป็นพระพุทรูปเลยแล้วมันก็ว่าผมใช้ส่วนมนต์ประจคำที่วัดนั้นพอผมออกสุดดงไปอย่าเงี้ยผมก็ขอท่านพกไปด้วยเจ้าว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเป็นขนาดแก่พระบูชาขนาดเล็กๆเอามือทำสามเรียกมาได้ออื แล้วตอนนี้ว่าได้วันจัดการที่โยมมาถวายตอนนี้พ่อมงซึกงอ่ะเขามาเข้าฝันบอกดีๆว่าขอให้ออกไปไว้ที่วัดเขาอยากอยู่กับวัดอ่าครับแต่เป็นคนนะเป็นผู้ชายแก่แต่งตัวดีๆใส่เสื้อแพงกางเกงแพงขาวๆเนี่ยมาบอกเราดีๆว่าขออยู่กับวัดเถอะเพราะว่าพ่อหลวมอยู่นี้เพราะหล่มก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วต้นมนอย่างเดียวก็ไม่พอที่ฉันอยากจะได้บุญหรอกครับคือเราต้นมนเรื่องสมาธิไงแต่เขาอยากจะอยู่ในบริเวณที่ มีเสียงสวดทั้งวันมีพายเุเยอะเอะมีการถวายมีการทาบุญอุทิศอะไรอย่างเงี้ยับเข า, าเลยไปคืนก็ไม<อ>่มีปัญหาอะไรทำตามนี้เขาบอกเออเราไม่ดื้อไงน ะ, นะคือถ้าเราดื้อเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรอู้จะถามว่าเหตุการณ์ดาบเนี่ยคือตกลงแล้วน่าจะเป็นดาบของเพชฌฆาตจริงๆใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามันเป็นที่<อ>พูดมาอย่างนัน<ข>้นการบอกว่ามันเป็นที่พูดมาอย่างนั้นแต่ว่า จริงๆเป็นยังไงไม่รู้แต่ขั้นสนใจที่อายุของมันเพราะว่าเอาไปตรวจอสอบแล้วเนี่ยอายุมันถึงอยู่มันถึงกักสามร้อยขึ้นไปนะว<อ>่ากว่าปีขึ้นไปแน่นอนว่าถ้าพูดถึงถึงอ่าพูดถึงเรื่องของดาบผมว่ามีเจ้าของยังไงทุกดาบต้องมีเจ้าของดาบที่ตีออกมาแล้วอ่ะที่ทําออกมาแล้วยิ่งเป็นของโบราณโบราณในสมัยก่อนย้อนไปเป็นร้อยร้อยปีผมว่ายังไงก็มีเจ้าของอยู่ที่ว่าเจ้าของจะเป็นใครมากกว่าครับโอ้ อเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยภรรยาของอาจารย์ท่านนี้เสียนิ้วไปหนึ่งนิ้วถูกครับอู้หูคือจะไม่ยอมเอาเลยแหละดาบวันเนี้แต่ด้จนด้วยแต้มไงตังก็เสียไปแล้วครับแล้วก็คือว่าอั น, นไหนก็ไหวแล้วแต่ตอนที่กลับมาคืนแรกก็ไม่ได้เอาเข้าบ้านครับืนสองก็ไม่เข้าแต่คืนสามเขามาบอกก็เลยต้องเอาเข้าแล้วต้องทํายิ่งดีดีทุกวันนี้ดาบนี้ก็อาจารย์เก็บไว้อย่างดี เอ่อผมไม่ได้เจอท่านเป็นสิบปีแล้วพี่แท๊อ๋อไม่ได้เจอท่านเลยใช่ไหมฮะครับไม่รู้กันแล้วไอ้ดาบไอ้ดาบเจ้าปัญหานี่คือดาบตัวปัญหาที่เกิดขึ้นขอเข้มาแล้วครับจะเฉยจะโดนตอะไรครับครับตั้งสิ่งจากสิบคือคือดาบที่เป็นต้นเรื่องเอาในคำนี้ดีกว่าดาบที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยผมก็ไม่เคยได้เห็นกระตานะแต่ตอนที่เขามาเล่าเนี่ยคือหน้าเขากับว่าเหมืนคนผ่านอะไรมาเยอะอะในช่วงเวลาแค่สองสามอาทิตย์เนี่ยที่ไม่ได้มาสอนพวกเราเนี่ยครับ ดูโทมมากเลยดูผอมลงเลยท่านนี่คนเป็นคนมีเปล่งปั่งมีลานสีเหมือนอาจารย์ปดเกษียณอาจารย์เอรี่บำนาญทั่วไปอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนเจออะไรหนักๆมาใช่นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านอะนะซึ่งก็ไม่รู้หลังนี้จะมีผลอะไรหรือเปล่าครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้ามีความสิุขอะไรนี่ได้และรับรู้ได้ก็คือมันเบาลงตั้งแต่ทันทีที่ลูกหลานเขาบอกเป็นคนจุดทูบบอกออื โอ้เรื่องของของโบ ร, โบราณไม่แค่ไม่ใช่แค่เฉพาะดาบนะผู้ฟังนะของโบ ร, โบราณทุกอย่างนะผมว่ามันมีความอึมครึมมันมีความน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้สำหรับผมคือผมผมจะกลัวไงแต่บางคนชอบก็คือชอบเลยอย่างอาจารย์ท่านเนี้ยแล้วก็นักสะสมอีกหลายหลท่านนะคุณคิงเนาะ ค, คือบางคนเขาชอบอเขาแบบโอ้ตู้เตออะไรก็ไม่รู้เป็นไม้แบบ คือแค่ประตูตู้ผมรู้สึกว่าถ้าลมทับผมก็ตายนะอ่ะหนักมากออของสมัยก่อนส่วนมากจะเป็นไม้แล้วก็จะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีการแกะสลักวิจิตรโออาลังการสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูแล้วแบบดูนกลัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกโอ้ยิ่งเป็นแบบเตียงนอนโบราณอย่างเงี้ยโอ้โหถามหน่อยคุณคิงกล้านอนปะ เออผมผมยังไม่เคยเจอนะแต่อาจารย์ท่านนี้ก็นอนเตียงโบราณอยู่นะแต่ว่าที่ขาที่เนีองจะฟันจนแลอยเต็มไปหมดเลยอ๋อแล้วมีอะไรไปขวนเป็นลอยเต็มไปหมดเลยครับองนั้นนะโอ้ยน่ากลัวเออเรื่องนี้ก็น่ากลัวครับเรื่องของดาบสะสมนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นย้อนกลับไปเนี่ยประมาณอูหลายสิบปีตั้งแต่ผมหัวต้นนะพี่ทำไม่ได้เลยกี่ปีหลายสิบปีแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่า เรื่องของความซีวิไลเรื่องของเทคโนโลยีมันยังไม่ขนาดนี้นะครับความความความอึมครึมด้วยบรรยากาศในอดีตเนี่ยมันทําให้เรื่องราวเหล่าเนี้ยฟังแล้วมันได้อัครรสมากนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณคิงคิงออฟโกดของ the ะโกสเลดี้โด้วยนะครับครับผมที่มาพิจารณ์ผมขออันนี้นิดนึงนะจ้ะคืออันนี้อันนี้อันนี้เราผมเข้าใจนะว่าพิจารณ์ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ว่าขอฝากนิดนึงผมไม่เคยได้มีโอกาสได้พูดเท่าไหร่เพราะว่าผมเองเ่ย จะทำเกี่ยวกับงานบุญตลอดคืออย่างมันมีน้องบางคนมาถามที่พี่คิงไม่ได้เล่าบับเดโกสเนี่ยพี่คิงไปเล่าชแนลอื่นเหรอคือผมไม่ไม่ไม่เคยเล่านะครับสมอวเมีใครอ้างหรืออะไรเนี่ยบอกเลยนะมันไม่มีจริงๆแน่นอนผมมีแค่แต่พี่แจ็คแต่แค่ของผมเองแค่นั้นที่อื่นไม่ได้ไปแน่นอนครับนะครับคือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่า วันนี้คุณคิงเล่ากับเดอะโกสหรือจะเล่ากับชื่ออื่นอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเป็นสิทธิของคุณคิงด้วยนะคุณผู้ฟังต้องต้องให้ต้องให้ความเป็นสิทธิของเขาด้วยนะครับ <c oughs> เขาจะไปเล่าที่ไหนอะไรได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ <c oughs> คุณคิงนะครับสบายใจตรงไหนอยู่ตรงนั้น อ, <c oughs> อันนี้ยืนยันเลยจร<อ>ิงว่าผมไม<อ>่เคยมีแน่นอนเห็นเขามาถามคือ กลัวว่าจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวก็มีอะไรแท็กมามัม่วๆอย่างเงี้ยเราบอกไวก่อนว่าบอกไปก่อนผมทํางานผมปันพาทุกวันนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้งานเยอะอตายคุณคิงนะแล้วก็มีคนถามถึงเรื่องเฟซคุณคิงมาบ้าเอามามากเลยฮะตกลงเฟซคุณคิงเป็นยังไงตอนนี้คือเฟซเก่าโดนโดนติดไปคือถ่ายเหตุอะไรผมไม่รู้แตเฟซใหม่ชื่อร้องไห้ให้กับความน่าสพรึงโอ้โห <laughs> ชื่อเฟซว่าอะไรนะ ร้องไห้ให้ความน่าสพรึงครับโอ้โหใครตั้งเนี่ยคือจริงๆอย่างงี้พี่แจ็คบอกเลยเอาแบบเอาแบบโกโก้อะไรนะแล้วพาดจริงด้วยผมตั้งใจจะตั้งชื่อว่าคายิงแค่าแต่เฟซมันประมาณบอกกันแล้ว่าไม่ต้องไปฝรั่งมากนักให้ใช้ภาษาไทยผมก็เลยเอาแปลแบบสนลงสแลฟิทฟแบ่แปลเนี้ยแล้วก็มาเป็นชื่อเลยของผมอ่ะอีกทีนะฮะชื่อเฟซ ร้องไห้ให้กับความน่าสะพรึงครับโอ้โหชื่อเฟสนะฮะนี่คือเฟส <c oughs> ใหม่คุณคิงครับร้องไห้ให้กับความน่าสะพรึงนะฮะครับ โ, โอเคโอเคยังไงคุณคิงดูแลรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะคุณคิงนะเช่นกันครับนะ <c oughs> ครับแล้วก็ <c oughs> ม, มีมีโอกาสก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเอามีเรื่องอะไรก็มาจัดมาเต็มที่เลยสําหรับคุณคิง ช่วงที่หยุดไปนี่คือ ม, มีคนฝากมาเต็มเลยพี่แจ๊คผมบางคนเนี่ยผมต้องขออภัยที่ไม่ได้อ่านอีกหลายคนคือผมกลัวลว่าพออ่านเสร็จเนี่ยแล้วผมจะไม่ต่อโต้เขาเพราะผมมันจะจําเข้าไปในสมองไม่หมดเงก็เลยเว้นไว้ก่อนจะค่อยอ่านทีหลังเนี้ยได้ได้หลายคนนะฮะเอางานหลักก่อนนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานรองเป็นงานอดีกนะครับมีเวลา ม, มีเวลาว่าอยง่งไรก็ค่อยๆเข้าไปอ่าน แล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะโอเคขอบพระคุณมากครับคุณคิงครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ